ยังสบายดีเลยขอบคุณจะสบายดีค่ะยังอยู่ที่สี่และเช้าเลยะอนู่เ่าไหร่ร้านอายู่เ่าไม่ทตอนนี้อยู่ธรรมดาธรรมดาสบายแล้วนะของก็พึ่งกค่ะก็ต้องทําสอท่าบุกรบคุณหาวันทีก็เหนือเศษบางทีถ้าเศษไม่ดีเดี๋ยวก็กลับมาอีกอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะอ ก็ใช้ให้มันน้อยหน่อยก็แล้วกันนั่งสมาธิบ่อยๆมันก็จะใช้น้อยวิธีประหยัดเงินก็คือหันนั่งสมาธิกันถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องเสียยงางถ้าไม่นั่งสมาธิใจมันก็อยากซื้อนั่นซื้อี่อยากไปนูน่นอยากมานี่เงนินตนี้ก็เลยไม่พอใช้ ถ้ามานั่งสมาธิได้มันก็ไม่อยากไปไหนไม่อยากซื้ออะไรสบายแล้วก็มาคิดอีกอย่างหนึงว่าบางทีเราก็ได้เจอได้เห็นอะไรมาเยอะมาะนนกแต่ดิว่าอยู่ด้านได้เห็นมาก็เท่านั้นน ะ, ะเห็นเห็นต่อไปก็ไม่มีอะไรที่จะได้มากไปกว่าที่เคยเห็นมันก็ของเก่าแลนะ้อขอบพระคุณท่ มานั่งสมาธิกันดีกว่านั่งสมาธิแล้วใจอิ่มใจสุขใจสบายใจไม่หิวใจไม่อยาก<ม>ต่อไปจะรู้สึกว่าเป็นเศรษฐีนั่งที่มีเงินไม่กี่บาทแต่มันไม่ได้ใช้มันก็เลย ม, มันมีเงินเหลือใช้ตลอดเวลาเพอใจอิ่ม ใจไม่อิ่มมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ยิ่งมีมากก็ยิ่งใช้มากใช้แล้วก็ติดอพอไม่ได้ใช้ก็ทุกมานั่งสมาธิแล้วจะสบายจะหายทุก ไม่มีความสุขอะไดในโลกนี้จะสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิใจสงบแล้วมีความสุขมากยิ่งกว่าถูกลบตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็แทนที่จะสงบกับวุ่นวายแล้วสิะจะไปขึ้นเงินยังไงลอตเตอรี่ใบนี้จะเก็บไว้ตรงไหนเดี๋ยวให้กลัวไปไม่ตอบไปต่างๆนานะ ได้เงินมาแล้วก็ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนเดี๋ยวคนมาขอมายืมคนไม่เคยเจอหน้ากันหลายสิบปีก็มาโผล่ขึ้นมายาเสนิทไม่หายหายที่หายไปนี้กลับมาหมดไม่ให้เขาก็โดนก็ได้ทุกข์ไม่ใช่ประสุขเขาเรียกทุกขลาภ เงินทองนี่เป็นทุกขลาภสมาธ่นี่แหละเป็นสุ ข, ขลาภแต่ก่อนจะมันได้สมาธิี่มันทุกข์พอใจมันกิเลสมไม่ชอบนั่งมันไม่ชอบให้อยู่เฉยๆกิเลสตัณหามันชอบให้เราไปหาหนูน่นหานี่พอเราไม่ได้ไปหามันก็เลยทําให้เราทุกข์ นั่งเฉยๆก็รู้สึกอิดอัดแน่นหน้าอกปวดศีรษะร้อยแปดอาการโผล่ขึ้นมาแต่พอไปเที่ยวก็มันหายหมดเลยอาการอืดอัดต่างๆหายไปเดี๋ยวๆเดี๋ยวพอกลับมาบ้านก็เป็นอีกอ่ะเดี๋ยวก็ต้องออกจากบ้านไปอ ย, อยู่บ้านไม่ติด อยู่ได้เพียงแต่พักผ่านพอได้พักขนหายเหนื่อยแล้วก็อยากจะออกอกองบ้านที่แสจะสบายก็ไม่สบายซ ะ, นะ้ต้องออกไปหาอะไรข้างนอกหาไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหาอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตาย ตายแล้วก็กลับมาหาใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาทุกข์ใหม่การเกิดมันไม่ดีนะมันเป็นภาระมีร่างกายนี่มันต้องเลี้ยงดูมันต้องหายใจให้มันหาหน้าให้มันกินหาหาให้มันดื่มอาบน้ําให้มัน <c oughs> หาเสื้อผ้าให้มันสายหาบ้านให้มันอยู่ต้องไปทํางานเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันก็แก่เี๋ก็เจ็บเดีว ก, ก็ตายความสุขได้จากนั่งกายก็เพียงแต่มันพาให้เราไปเที่ยวเท่านั้นเองเราอยากจะไปเที่ยวเนื่ยมันก็พาลงไป อยากจะซื้ออะไรมันก็พาเราไปซื้อแต่มันเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวสุขในขนาดที่ได้มาพอได้มาแล้วก็หายไปละความสุขนั้นอยากได้ของใหม่นะอยากไปเที่ยวใหม่เที่ยวกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็ไม่พอ อันนี้เป็นการหาความสุขที่ผิดเหมือนยาเสพติดเหมือนติดยาเสพติดต้องหาความสุขแบบที่ถูกก็คือนั่งสมาธิกันทําใจให้สงบใจจะสงบได้ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดคอยเบรกความคิดคอยหยุดความคิด เพราะใจจะไม่สงบถ้าคิดถ้าเปรียบเทียบใจเหมือนน้ำน้าในสระถ้าจะน้ำให้น้ำในสระมันนิ่งก็ต้องไม่ให้คนลงไปว่ายน้ำถ้ามีคนลงไปเล่นกระโดดน้ำว่ายน้ำในสระน้ำน้ำมันก็ไม่นิ่งน้ำมันก็มีคลื่นมีอะไรใจก็เหมือนสระน้ำ ความคิดก็เหมือนกับคนที่ไปเล่นน้ำถ้าไม่อยากจะให้น้ำไม่นิ่งก็ต้องห้ามไม่ให้คนลงไปเล่นน้ากันไม่มีคนลงไปเล่นน้ำน้ำก็จะนิ่งจะใส่ใจเราก็เหมือนกันถ้าใจเราไม่คิดไม่ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบ จะใสจะเย็นจะสบายอันนี้กรเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันเป็นความสุขของเราเราไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นมาให้ความสุขกับเราสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราความสุขแบบนั้นเรียกว่าไม่ใช่เป็นความสุขของเราความสุขเพราะเราได้คนนั้นมาได้คนนี้มาได้สิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้มามันเป็นความสุข ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นของเราพอเราเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราก็เสียใจทุกข์ใจนี่คือการหาความสุขที่ไม่ถูกเป็นการหาความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความสุขที่ได้มามันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันจากเราไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่เรา แต่ถ้าเราทําใจให้สงบได้เนี่ยเนี่อันนี้จะเป็นความสุขของเราเพราะมันจะไม่จากเราไปถ้าเราทําให้มันสงบได้แล้วก็ทํามันไปได้เรื่อยๆต่อไปเราก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีคนนั้นมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องให้ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเราสามารถมีความสุขได้ด้วยการ หยุดความคิดหยุดความคิดแล้วก็กจะหยุดความอยากด้วย musician, หยุดความโลภหยุดความโกรธเวลาที่เราโลภกับเวลาที่เราไม่โลภย่างไงสบายกว่ากันเวลาที่เราโกรธกับเวลาที่เราไม่โกรดนี้ยังไงดีกว่ากันเวลาที่เราอยากกับเวลาที่เราไม่อยากนี้ไหนสบายว่า พออยากก็้องหดหยุดนำคาใจขึ้นมาแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธเอกขอแม่ไปเที่ยวแม่ไม่ให้ไปเที่ยวก็โกรธแม่อีกแต่ถ้าไม่มีความอยากไปเที่ยวก็ไม่ต้องโกรธแม่เพราะไม่ต้องขออะไรอยากแม่ไม่ต้องขอไปเที่ยวนี่แหละปัญหาของพวกเราหาความสุขที่เป็นทุกข์ ไม่ใช่หาความสุขที่เป็นสุขหาความสุขที่เป็นสุขต้องหาความสงบต้องหยุดความคิดหยุดความอยากหยุดความโลภหยุดความโกรธความโงสิ่งที่จะหยุดได้ก็คือสติกับปัญญาสองตัวนี้อาวุธของพระพุทธเจ้าที่ใช้หยุดความอยากหยุดความทุกข์ต่างๆก็คือสติและปัญญา อาวุธที่สร้างความสุขให้กับใจคือสติและปัญญาตอนต้นก็ใช้สติก่อนเพราะสติมันง่ายกว่าปัญญาปัญญานี้มันต้องคิดต้องใช้เหตุใช้ผลแต่สตินี้เพียงแต่ให้มันระลึกรูอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นระลึกรูอยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธ ก็สามารถหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้แล้วพอมีกำลังที่จะมาคิดก็สามารถคิดทางปัญญาต่อไปได้ตอนต้นนี้มันไม่สามารถคิดทางปัญญาได้เพราะกิเลสมันจะไม่ให้คิดใจของเรานี้ถูกกิเลสสั่งให้คิดไปในทางกิเลสไอ้นั่นก็นดีไอ้นี่ก็ดีลาบก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดี ลูปเสียงกิ่นรสผดทพะก็ดีมันจะให้คิดอยู่แต่เรื่องราวเหล่านี้การที่จะมาคิดว่าลาวก็ไม่ดีสารเสริญก็ไม่ดียดก็ไม่ดีเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปคิดไม่ได้ไม่มีกำลังเพราะกิเลสมันไม่ยอมให้เราคิดตอนนี้ใจของเราเป็นถูกกิเลสเป็นผู้ขับเคลื่อน อวิชชาปัจจยาสังขารากิเลตก็คืออวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงมันให้เราคิดไปในทางที่ไม่ไม่เป็นความจริงให้เราคิดว่าราบก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีได้แล้วจะมีความสุขแต่ไม่ได้เห็นว่าเวลาที่มันหายไปจะเป็นยังไง เวลาได้ลาบมาแล้วหายลาบหายไปจะเป็นยังไงเวลาได้ยศมาแล้วยศหายไปจะเป็นยังไงเวลาสันเสริญมาแล้วสันเสริญไปจะเป็นยังไงเวลาสุขมาแล้วทุกสุขหายไปจะเป็นยังไงมองไม่เห็นกันตอนต้นจึงต้องหยุดความคิดเหล่านี้ก่อนหยความคิดของกิเลสด้วยการใช้สติพุทโธพุทโธไป แล้วพอมันหยุดคิดมันก็ได้ประโยชน์สองสองอย่างเวลาหยุดคิดก็ได้ความสุขสองก็สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความโลภความโกรธความหลงได้ชั่วคราวพอเราหยุดมันได้มันก็กำลังมันก็จะไม่มากเหมือนเมื่อก่อน ก่อนที่เราไม่มีความสงบนี้กำลังมันมากเราจะดึงมาคิดทางปัญญานี้คิดไม่ได้มันจะคิดทางกิเลสอย่างเดียวพอเรามานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งใจสงบแล้วกิเลสมันก็ถูกน็อกเหมือนถ้าเป็นนักมวยก็ถูกนับแปดแต่ยังไม่ยังไม่ถึงกับนับสิบ ย, ยังไม่ตายสตินี้ฆากิเลสไม่ได้ ผู้ที่จะมาค่ากิเลสก็คือต้องปัญญาปัญญาก็คือความจริงนี่แหละการเห็นความจริงว่าความโลภมันไม่ได้นำไปสู่ความสุขความโลภความอยากมันนำไปสู่ความทุกข์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราได้มามไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเรือหมดไปอย่าง้เวลาได้แฟนมาใหม่ๆโอ้โหยังกับ ชี้ฟ้าก็เป็นฟ้าที่อะไรก็เป็นแน่นอนพ็อยู่ก็อยู่กันไปไม่นานที่อะไรก็ไม่เป็นอะไรละอหน้าใหม่ๆนี่โอยสั่งให้ทำอะไรก็ทำให้หมดเลยอือ พออยู่กันไปพอได้เราแล้ ว, ลวทีนี้สั่งอะไรก็ไม่เอาแล้วดือ้อนะขี้เกียจนะเนี่ยมันเปลี่ยนไปความสุขที่ได้จากเขาก็เลยกลายเป็นความทุกข์ไปถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะไม่อยากได้แฟนมันไม่คิดอย่างนั้นมันคิดโอ้เขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวเขาจะซื้อให้หนู่นให้เราซื้อให้นี่ให้เราเราอยากจะได้ได้วเขาก็จะหามาให้เรา โอ้ยดีแสนดีอย่างนี้ได้ไหมตอนนี้การจีบกันใหม่ๆนี่โอ้ดีเป็นหมดเช่อยากจะได้อะไรอยากจะได้ดาวได้เดือนก็ปีนขึ้นไปหยิบมาให้อยากให้กราบเท้าก็กราบเลยเวลาเขาอยากได้เราเนี่ยเขายอมทําทุกอย่างแต่พอเขาได้เราแล้วทีนี้เขาก็ไม่ต้องทำอะไรละ ทีนี้เราต้องกราบเท้าก็าแล้วท <laughs> ี่อย่าเปลี่ยนเลยพี่ขอให้พี่เป็นเหมือนเดิมเถอิย <laughs> มันไม่เที่ยงเมันจะถ้าไม่มีไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกําลังคิดทางนี้มันจะคิดไปในทางกิเลสโอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาดีอย่างจริงเขาดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีไปหมดแต่พอนั่งสมาธิแล้ว มันจะมีเวลาคิดคิดตามความเป็นจริงดูตัวอย่างมีเยอะแยะเห็นไหมละครละครน้ำเน่านี่ดูกันทุกวันแต่ไม่เอามาสอนตัวเราคิดว่าเป็นละครกวาจริงละครน้ำเน่ามันก็เอาเรื่องจริงมามาเล่นให้เราดูก็ันแหละแต่เราคิดว่าอันมันไม่เกิดขึ้นกับเราเหรอกมันเกิดขึ้นกับตัวละคร กับเรานี่ทุกอย่างจะต้องดีไปหมดเจะต้องสมหวังจะต้องไม่ผิดหวังอจะไม่ต้องหลั่งน้ําตาอันนี้แหละถึงถึงจะใช้ปัญญาได้ต้องอต้องมีสมาธิก่อนใจสงบแล้วทีนี้ก็จะไม่มีกิเลสมาคอยหลอกให้เราคิดว่าไอ้ น, นั่นดีอันนี่ดี เราก็สามารถมองความเป็นจริงได้อันนี้เที่ยงไหมลาบลาบเที่ยงหรือเปล่ายศเที่ยงหรือเปล่าชันละเสร์นเที่ยงหรือเปล่ารูปเสียงกลิ่นรสเที่ยงหรือเปล่าหรือมันเกิดดับเกิดดับมันขึ้นมันลงมันมาแล้วก็ไปไปเที่ยวก็เหมือนกับเกิดใช่ไหมไปดูรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอกลับมาบ้านมันก็ดับไปหมดแลรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้จากการไปเที่ยวมันก็ดับไปหมด พอหับแล้วก็เหงาเสียว่าเวขึ้นมาแล้วอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรถเดลยนะเดี๋ยวก็ต้องออกไปนะเนี่ยถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์ก็จะต้องไปไปหามาอยู่เรื่อยๆหามาได้มาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอได้มาแล้วก็หมดไปเหมือนความสุขที่ได้จากควันไฟเนี่ยควันบุหรี่เนี่ยสูขเข้าไปในปอดแล้วเดี๋ยวก็ พ่นมันออกมาเดี๋ยวก็ต้องสูบก็ไปใหม่นมันมาแล้วเดี๋ยวก็หมดนล้วเดี๋ยวก็ไปอันนี้ตอนถ้าเราใช้ปัญญาคิดอย่างนี้ได้เราก็จะไม่เอาละลาบยศสรรเสริญอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับนั่งสมาธิดีกว่านั่งสมาธิแล้วไม่ต้องมีเงินก็ได้มีก็ มีก็มีไม่ต้องมีมากมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอหรือถ้าไม่มีก็ก็ให้ร่างกายมันตายไปเพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายเลี้ยงมันดียังไงมันก็ตายตายผอมตายอ้วนมันก็ตายเหมือนกันแต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบแล้วเราไม่ทุกข์เราจะไม่ทุกข์กับความหิวของร่างกาย จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายมีของดีๆในตัวเราเรากลับไม่เอากันอันนี้แหละอภินิหารอิทธิฤทธจิจริงๆอิทธิฤทธิแท้จริงก็คือปัญญานี่แหละสติปัญญาความสงบเนี่ยอันนี้แหละเป็นสุดยอดของอิทธิฤทธิปาฏิหารเข่อเหินเดินอากาศได้ดูหวยดูเลขได้นี่มัน ยังมาดับความทุกข์ใจเราไม่ได้ใจเรายังต้องทุกกับความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายยังต้องทุกข์กับความแก่ทุกกับความขาดแคลนอดอยากขาดแคลนทุกกับการดุ ด, ด่าว่ากล่าวของคนต่างๆแต่ถ้ามีสติมีปัญญามีความสงบแล้วจะไม่ทุกกับอะไรอันนี้แหละคืออิทธิฤทธิปฏิหาร สามารถให้เราอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหมดได้การมีตาทิพย์มีหูทิพย์อ่านวาลวจิตของผู้อื่นได้และลึกชาติได้เหเหินเดินอากาศได้ดำดินได้แปลงกายจากหนึ่งให้เป็นสองเป็นสามได้ก็สู้การมีสติมีปัญญามีความสมบงไม่ได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ ไม่มีอิทธิฤทธิปฏิหารอย่างใดจะสามารถมาดับความทุกข์ใจได้นอกจากสติปัญญาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาสร้างความสุขใจที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ <Yeah. S 1> นอกจากสติปัญญา <Yeah. S 1> นี่แหละเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถมีกันได้พวกอิทธิฤทธิ์นี้ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถมีกันได้ นั่งสมาธิกันนี่บางคนก็ได้อิทธิฤทธิบางทีก็ไม่ได้แต่มันไม่สำคัญมันมันมีก็เหมือนกับเหมือนกับคนที่สมัยนี้มีเงินฐานหน้าต่างกันบางคนก็เงินมากบางคนก็เงินน้อยบางคนก็เงินพปานกลางอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับมีอิทธิฤทธิเงินก็เป็นเหมือนอิทธิฤทธิอย่างสามารถศส อะไรให้เป็นอะไรขึ้นมาอยากเสกให้กระดาษให้เป็นโทรศัพท์มือถือก็เสกได้เ อ, เอาเงินไปวางไว้ที่ร้านขาย ม, มือถือเขาก็เอามือถือมาอยากเอากระดาษไปวางไว้ที่ร้านขายรถเหมือนกับแป๊บกลายเป็นรถขึ้นมาอันนี้ก็ปาฏิหาริย์เหมือนกันเฮติลิศเหมือนกันของพวกนี้มันดับใจดับความทุกข์ใจไม่ได้ ยังไม่ให้ความอิ่มความสุขไม่ให้ความสงบกับใจมีสติมีปัญญาเท่านั้นแหละที่เป็นของที่วิเศษจริงๆพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราขั้นที่หนึ่งให้เจริญสติให้มากๆว่าเราต้องมีสติก่อนเราถึงจะสามารถเจริญปัญญาได้ขั้นแรกนี้เอาคู่ต่อสู้ให้มันนับแปดไปก่อนต่อยให้มันแบบว่าท่านมันล้มลงไปนับแปด พอมันลุกขึ้นมาทีนี้มันก็ชักจะงงเงี้ละงงเงี้ยักจะมึนนะโดนหมัดไปนับแปะเนี่ทีนี้เราก็สามารถใช้ปัญญาพิคาดได้เลยพิฆาตปัญหาอยากได้อะไรก็บอกมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขทุกข์เพราะมันไม่เทีย่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวหมดไปไม่ใช่ของเรานี่แหละให้คิดอย่างนี้ไป ทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรเราก็จะหดเข้ามาเหมือนกับเวลาที่เราจะไปหยิบเครื่องดื่มมาดื่มแล้วเขาติดป้ายหัวกระโหลกควาดกระโหลกศีรษะควาดกระดูกอันตรายยาพิษจะกล้าดื่มมยไหมถ้าเขาให้ต่อไปอยเขาสั่งให้ติดภาพไว้บนขวดเบียร์อย่างเงี้ยติดมาภาพไว้บนขวดเหล้า่าเงี้ยกินแล้วตายนะ จะซื้อมากินไหแต่แล้วนี้มันกินแล้วตายแต่มันผลประโยชน์มันมากกว่ารัฐยังอยากได้เงินจากขายเหล้าอยู่อยากได้ภาษีก็เลยไม่ห้ามเพราะรู้ว่าห้ามมันก็ไปขายใต้ดินกันอีกมันก็ไปซื้อใต้ดินกันอีกเขาเคยลองมาแล้วฝลั่งเคยเคยมีกฎหมายห้ามขายเหล้ามันก็ไปแอบขายกันใต้ดินเงแอบผลิตกันขายกัน เขาก็เลยว่าไหนๆมันอยากจะกินก็ให้มันกินอย่างน้อยก็ได้เก็บภาษีแล้วเป็นไงกินแล้วก็ตับตายไส้ฟูงกะพังคนที่เดือสชรามากๆเนี่ยกขตายก่อนวัยเป็นเขาเป็นเป็นเป็นเสี่ยงต่อโครคภัยไข้เจ็บต่างๆปัจจัยเสี่ยงหมอบอกปัจจัยที่ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บ ก็คือสูรากับบุหรี่ปัจจัยที่สามก็คือความเครียดความเครียดนี่ก็ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บได้แต่คนที่มานั่งสมาธินี้จะไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเราก็จะไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบความเครียดก็ไม่มีดูหลวงปู่หลวงตาแต่ละองค์เกือบร้อยหรือเกินร้อยทั้งนั้น พวกเดิมทุลาพวกกินเหล้านี่ไปห้าสิบกว่าหกสิบกว่าไปแล้วเมื่อสองอาทิตยก์ก่อนก็มีคนที่หมู่บ้านบินบาบดสามีเขาก็ตายอายุก็สี่สิบกว่ากินเหล้านะกินเหล้ามากแล้วเพิ่งมียายคนหนึ่งอายุเกนะ้าสิบเจ็ดเพิ่งตายเหมือนกันนะยายนี่ก็คงไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ <laughs> อ, อยู่ได้ถึงเก้าสบเเห็นไหมเห็นบ้างเขาไหมหน <Okay. S 1> ้านเสริมสวยหน้านเสริมสวยแม่เขานี่แหละพวกเรามันดิ้นหาความทุกข์กันเพราะความหลงเพราะความไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังหากันมันเป็นทุกข์แล้วก็บ่นทุกข์กันทุกวัน ร้องห่มร้องไห้มาหาพระก็มาขอให้ช่วยบำบัดทุกข์พระสอนก็ไม่เชื่อจะขอน้ำมนต์อย่างเดียวข อ, อน้ามนต์เปะผมหน่อยที่ว่าน้ำมนต์จะทําให้หายทุกข์น้ำมนต์ที่แท้จริงก็คือน้ำธรรมน้ําธรรมะในเวลาที่พระสวดเวลาพระทําน้ํามนต์พระต้องสวดใช่ไหม สวดอะไรก็สวดมนต์มนต์นี่ก็คือคําสอนของพระเจ้าเป็นอุบายวิธีสอนคนแต่คนก็ไม่รู้เพราะพระก็ไม่สวดแล้วก็ไม่แปลคําสอนให้ฟังว่าว่าท่านกําลังสวดอะไรท่านสวดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารนเป็นพี่พึ่อนให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เชื่อคําสอนของพระเจ้า เจ้าสอนว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงอย่าอยากอย่าทําบาปอย่าเสพบาบายามุกแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ้วยอายุวันนะสุขภาระฟังไม่รู้เรื่องพระก็ไม่แปลคำคำคาสวดพระก็ไม่รู้เหมือนกันสวดทำไมเป็นเ้าให้ ทำน้ำมนต์ต้องสวดต้องมีเทียนไขจุดให้มันหยดเข้าไปในน้ำเท่หนั้นมันจะได้ขังเทียนมันจะไปขังยังไงน้ำมันจะไปขังยังไงนมปากของคนมันจะไปขังยังไงเอาไปอาบ ม, มันก็เท่านั้นแหละเหมือนท้าพยอมบอกว่าถ้าน้ำมนต์ขังก็นิมนต์พรไปนั่งสวดที่ป่าปาเลยไม่ดีกว่าเลยล้วส่งไปทางบ้านเลย ทุกบ้านจะได้มีน้ำมนต์อาบทุกวันเนยะใ น, นมนมลพ้าไปนั่งสวดที่ปะปาทั้งวันเนะลยหรือเปิดเทปสวดก็ได้ <c oughs> <c oughs> เวลาผลิตน้ปาปะปาก็ <c oughs> เอาเปิดเทปพระสวดมนต์ไปแล้วก็เอาเทียนประโยชน์ไว้เรับทั้งบ้านก็จะได้มีน้ำมนต์อาบของทุกคนนะไม่หรอกน้ำมนต์ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่กำลังฟังอย่างเนี้ย คำสอนของพระเจ้ า, านั้นพระเจ้าบอกว่ามาเจริญสติกันมาเจริญปัญญากันเถิดเราจะได้ความสงบเป็นที่เป็นความสุขยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายถ้ามีความสงบมีความสุขแล้วจะไม่ต้องการเงินไม่ต้องการข้าวของไม่ต้องการคนนั้นคนนี้ไม่ต้องการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ต้องการลูกเสียงเกลิ่นรส เมื่อไม่ต้องการก็ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการไปทํางานทำการทำงานแล้วก็เสี่ยงต่อการทำบาปเองทำงานก็อยากจะได้เงินเยอะๆอยากได้เงินง่ายๆเร็วๆก็ต้องโกงบ้างโกหกบ้างต้องมีบ้างจะโกหก้างโกหกน้อย พอพ่อก้าแม่ค้าเข้ามาบ่นให้พาะฟังเลยว่ารักษาศีลห้านี้ค้าขายไม่ขึ้นหรอกค <c oughs> ้าขายไม่ออกก <c oughs> ารนะ <c oughs> รักษาศีลห้านี้ไม่ได้ให้หมายความว่าให้ค้าขายดีแต่ให้จิตใจสบายจิตใจมีความสุขไม่ทำบาปแล้วใจจะสบาย ทำาปแล้วใจจะไม่สบาย <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน <c oughs> ตอนนี้เราไปหาความสุขที่ปลอมความสุขที่กลายเป็นความทุกข์ <c oughs> เป็นความสุขที่เป็นเหมือนก้อนน้ําแข็ง เราได้ก้อนน้ำแข็งมาเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวเดียวมันก็หายไปละมันก็ละลายกลายเ ป, ป็นน้าไปความสุขต่างๆที่เราได้มาเดี๋ยวมันก็ละลายกลายเป็นอย่างอื่นไปกลายเป็นความทุกข์ไปต้องมาเาความสุขในตัวเราแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะเราตัวเราไม่มีวันตายตัวเราที่แท้จริงก็ไม่ใช่ร่างกาย ตัวเราที่แท้จริงก็คือใจใจที่มาใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจถูกความไม่รู้หลอกให้ไปหาความสุขทางร่างกายไม่รู้ว่าความสุขในตัวเองนี่ดีกว่าไม่รู้ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี่ดีกว่าความสุขจากการได้ลาบยศสรรเสริญ ก็เลยต้องไปหาร่างกายเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็หาราบยศสรรเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรสไม่ได้นคนตายไปแล้วนี่หาราบยศสรรเสริญได้ไหมหาลูกเสียงกลิ่นรสได้ไหมต้องเป็นคนเป็นต้องมีร่างกายที่ใช้งานได้ถ้าแก่หรือเจ็บหรือตายก็ใช้ไม่ได้ไ ห, หาไม่ได้พอตายไปก็ต้องกลับมาหามามีร่างกายใหม่ พ อ, อยังติดแล้วสิพอมัญหาแล้วมันติดเคยหาเงินแล้วมันก็ติดเงิน <c oughs> ใช้เงินแล้วมันก็ติดเงินต้องใช้อยู่เรื่อยๆต้องหาอยู่เรื่อยๆได้ตำแหน่งก็ติดอยากจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้สรรเสริญก็อยากจะได้ไปเรื่อยๆพอวันไหนเขาไม่ชมหน่อยก็ไม่สบายใจแล้วเฮ้ยทำไมวันนี้เขาไม่ชมเรา เขาโกรธเราหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ดีใชแล้วเราไม่ดีตรงไหนนี่แหะมันเป็นของไม่เที่ยงของเที่ยงอยู่ในใจเราอยู่ที่ความสงบความสงบได้จากการมีสติพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรถ้าเราคิดอยู่กับคําพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญไม่ได้ถ้าคิดไม่คิดเดี๋ยวเดียวมันก็สงบ สงบแล้วก็เย็นสบายไม่อยากได้อะไรตอนนั้นพอเราได้ความสงบแล้วที่เวลาออกมาจากความสงบนี้มันจะไม่หิวเหมือนเมื่อก่อนมันยังมีความอิ่มติดออกมาอยู่ตอนนั้นเราก็ใช้ปัญญาคอยสอนใจเติีนใจว่าต่อไปนี้เราอย่าไปอยากได้ลาบยุสสรเสญอยากได้รูปเสียงกลิ่นแล้กันนะ เพราะว่าได้แล้วเดี๋ยวเวลามันมันมันหมดไปเราก็จะทุกข์เนี่ยเวลามันจากเราไปเรามันก็จะทําให้เราทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราเนี่ยมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้ให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาอยากได้อลไรมันจะได้จําได้ว่าโอ้เรา อย่าไปเอานยมันไม่ดีนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของเราเนีพอเรามีปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่อยากพอไม่อยากใจก็จะสงบโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปนั่งสมาธิถ้าไม่มีความอยากไม่มีความโลภแล้วใจก็จะสงบของมันเองไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ จะอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาจะทําอะไรก็สุขเดินก็สุขยืนก็สุขนั่งก็สุขไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้าไม่มีความอยากถ้ากําจัดความอยากไปหมดไปจากใจกําจัดความโลมหมดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีอะไรมากวนใจต่อไป <c oughs> นั่นก็ขอให้เรา เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติกันเพราะว่าฟังอย่างเดียวยังไม่เกิดผลฟังนี่เป็นเหมือนการดูแผนที่แล้วถามทางว่าจะไปที่นู่นจะไปอย่างไรจะไปนิพพานไปอย่างไรจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปอย่างไรก็ต้องมารักษาศีลกันมาเจริญสติกันมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากัน พอได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาก็จะได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวนต้องนำอาไปปฏิบัติตอนนี้ศีลเรายังไม่มีมีก็ไม่ครบศีลต้องศีลแปดขึ้นไปสติก็ยังน้มนุกคุกคาอยู่ สอนใด้พุโทโธตั้งแต่ตื่นจนดับเนี่ยเคยมีใครมารายงานว่าทำได้แล้วไม่มีใครเอาการบ้านมาส่งให้ครูตรวจเลยเ อ, อ, อยวันหนึ่งได้พุโทโธสักกี่คำไ ม, ไม่ไม่ใส่ใจไม่เอาใจเลยไม่เชื่อเลยว่าพุโทโธนี้พิเศษยังไงพูดเหมือนกับเทน้ำใส่หลังหมาอยง้ ไปมันก็สลัดทิ้งหมดเนียแล้วเป็นไงมันก็ใจก็ฟุง้งซ่านใจก็เครียดใจก็อยากใจก็วิตกกังวลวุ่นวายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จักจบจากสิน้นเีจะลองเอาพุโทโธรักวันหนึ่งเลยว่าวันนี้จะเอาพุโทโธมาทั้งวันวะจแต่ตั้งใจพุโทโธพุทโธไปอะจะไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็พุโทโธไปจะไม่คิดถึงเรื่องขนมนมเนยจะไม่คิดถึงที่ ที่ยวสวนน้ำสวนนงสวนน้ำไปดูคอนสก์คอนเสิร์ตเกาหลีเกาหลีอะไรเนี่ยตอนนี้เด็กกำลังหลงไหลกันพอมันคิดเนี่ยมันได้ยินเขาโฆษณาเขาก็มาคิดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเกาหลีเกาหลีอยากจะไปกันเรารู้พ่ามีญาติโยมก็มีลูกเขาต้องพาไปก็มาเล่าให้ฟัง พ่อแม่ก็ไม่เคยไปต้องถามทางเขาอีกว่าไป ถ, ามมาถ้าไม่ไปลูกมันก็งอนลูกมันก็โมโหลูกมันก็แถงฤิิออกฤตออกเดชหน้าบึง้งตึงพ่อแม่ก็เลยต้องเอาพามันไปซะหน่อยพอไปกลับมาแล้วถามอยากจะไปไหมอยากอีกไม่พอ เอาไปปฏิบัติกันนะมาหัดรักษาศีลกันมาหัดเจริญสติกันมาหัดนั่งสมาธิกันพอได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิก็สอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกเพราะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราจะต้องมีการเปลี่ยนไปจะต้องมีการจากเราไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่อยากได้อะไร พอไม่มีความอยากแล้วสบาย mm hmm. ก็จะอนุโมทนาให้พรยะทาวารวะหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจัตุสัาเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนะหราโสยธามณีโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสโตมาเตภวตะวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศิลิศานิจังวุทาปจายโน จตารธรรมวทานติอายุวโนสุขังภาลางมันเปว่จะขอถับโลกไปตมาแล้วนะครับฮะขอถามโุกไปตมาแล้วครับจะอวอนค้อนไปไหนเราไปนั่งนั่งไปนักปิบปันลมันมันปการ บางอย่างมันกระทบอะครับอะไรกระทบป่ะจิตที่มันพุ่งซาดเราเห็นตัวเราเออพภานาอยู่แล้วมันเ<อ>สียงที่มากระทบเนี่ยเราไม่สามารถห้ามมันได้ก็เสียงนี่ห้ามมันได้ครับแต่เราห้ามใจเราได้ครับใจเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยก็ปล่อยมันไปเราก็เฉยเฉยไปภครด่าเราเราก็เฉยเฉยไปเราห้ามใจได้แต่เราไม่ห้ามเรากลับไปปล่อยให้ใจไปตอบโต้กับสิ่งที่มากระทบกับเรา พอตอบโต้เราก็ทุกข์เราก็วุ่นวายขึ้นมาเั้นเรามาหัดไม่ตอบโต้กับอะไ ร, รอะไรมากระทบกับใจพยายามรักษาใจให้เฉยๆไว้แล้วใจจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอืมนี่คือการปฏิบัติมาฝึกใจให้เฉยๆไม่ตอบโต้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบมาสัมผัสรับรู้ครถ้ตกลงครับนั่นคืสิ่งที่เข้ามา ม, มันก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสเดียนะเปน็นสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังแหน้าตาเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่ไม้แต่ความคิดนะฮะแม่แต่ความคิดความคิดของเรานี่เราก็หยุดมันได้ เ, าเราถ้าเป็นของเราเราหยุดได้ของคนอื่นเราหยุดไม่ได้เพราะเราภาวนาไปนะพอเราภาวนาะเราก็จะหยุดความคิดคถ้ามันไม่หยุดเราก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดเอาพอคิดมคิดที่<ะ> สติยุตพุทโธให้พุทโธให้คิดอยู่แต่คําว่าพุทโธเอาความคิดมาหยุดความคิดครับเอาพุทโธนี่หยุดความคิดต่างๆได้ครับพอหยุดความคิดแล้วใจก็สงบแล้วก็จะสบายครับถ้าไม่หยุดเดี๋ยวมันก็เครียดมันก็ทุกข์มันกเป็นบ้าได้ครอะไรยังไง ก็มาแล้วนี่ยมมเมื่อเช้านี้ใส่บาทเนี้ยน ะ, ะสีละชาเลยนะมีอะไรจะถามหรือเปล่าสีละชาเหมือนกันนี่ยมเงียบรู้ว่ายมเคยหนีแล้วก็มาระยะล่างเนี่ย ภาวนาไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอือาการปวดเมื่อยมีแต่มันอยู่เฉยๆไม่คลออ่าก็ภาวนาเพื่อมันอยู่เฉยสิมันยังกดเข้าไปลึกมันเดิมไหมน้องพ่ออ่าพอเราเราไม่ใช้พุทโธเนอะใช้พุทโธเปล่าอ่าต้องนั่งพุทโธพุทโธไปอยากขี้นั่งเฉยๆมันจะไม่เข้าไปเองต้องใช้พุทโธดึงมันเข้าไป ทำยังอก็ได้ใช้สวดมนต์ก่อนก็ได้ค่ยมมนต์ก่อนยมมาเปนเป็นสัมมาหังก็ได้แล้วเข้ามไม่เข้ า, ม, ขามันไม่ยอมกดเข้าไปไม่าลองดูลมหายใจได้ไนะได้ค่ ะ, ะดูเฉยเลยหลวงพ่อนอยู่เฉยก็ต้องนั่งไปเรื่อยเรื่องเดี๋ยวมันก็เข้าไปเองนนาก็นั่งเข้าไม่แน่หรอกบางบางทีหลายสิบปีก่าจะเข้าเนี่ยมันก็ไม่ฝันลลงฝันไม่ฝันไม่เป็นไรหรอก ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยฝันก็ได้ไม่ฝันก็ได้พะเวลาเราหลับเราไม่มีสติเราจะไปควบคุมความฝันไม่ได้ฝันก็ไม่เป็นไรฝันก็เป็นแค่ความคิดเท่านี้ก็อย่าไปคิดเวลาถึงอดีตที่เคยเข้าอย่าไปอยากให้มันเข้าถ้าอยากให้มันเข้า เอ๊ะทำไมไม่เข้าสักทีนั่งตรงงานไม่เข้าสักทีนี่มันก็ไม่เข้าอี๋อย่าไปคิดให้อยู่กับพุทโธไปนึกสัมมาระหังไปก็ได้อย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จะเข้าสักทีอถ้ากินแล้วมันจะไม่เข้ า, า, าก็ไม่งอยากอยู่ก็ไม่นึกนั่นแหละยิ่งอยากมันยิ่งไม่เข้าอย่างมันจะต้องอยากอยู่ด้วย อย่าไปอยากเลยว่างเข้าก็ได mm ้ไ hmm. ม่เ <speakers> ข <composition> ้า <coś> ก็ได้ขอให้อยู่กับสัมมาหละหังไปอย่างเดียวก็แล้วกันแล้วอย่าไปคาดอย่าไปคิดว่าเมื่อไห่จะเข้าสักทีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะลื่นตกนุมตกบอลงไปเองแต่ถ้าไปจ่อไปจ้องมันจะไม่ยอมเข้าให้เราใชอไหมจ่อแน่ๆอ่าอย่าไปจ่อมันจ้อเลย ทำสวดไปสัมมาละหังสัมมาละหังสัมมาละหังไปไม่อย่าเป็นสนใจว่ามันจะพาเราไปถึงไหนนะอย่าไปสนใจว่ามันจะไปเข้าไปเมื่อไหร่อย่าไปคิดทําไปไม่รู้ไม่ชี้ไปให้อยู่กับสัมมาละหังสัมมาละังสัมมาลหังไปต้องลืมไปเลยว่ามันจะได้หรือไม่ได้ถ้ามันไปคิดว่าต้องได้อยากได้มันจะไม่มีวันได้ต้องลืมลืมผลที่จะเกิดอย่าไปคิดถึงผลที่มันจะเกิด ให้อยู่กับสัมมาหลหังไปอยู่กับลมไปก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้เหมือนกันของพวกนี้ใช้แทนกันได้ปัญหาอยู่ที่ใจเราไปจ้องไปจอ่อไปคาดเมื่อไหร่จะลงสักทีเมื่อไหรจ่รจะสงบสักทีมันเลยปรุงแต่งไปมันไม่ได้สั ม, มาหลหั ง, งนะลองทําอยู่ใจเย็น เข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทําก็แล้วกันขอให้ได้นั่งเฉยๆให้ได้สัมมาหัางก็ยังดีเหมือนกับเวลาอยากนอนเนี่ยพอ น, นอนไม่ดับยิ่งอยากให้มันหลับยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่พอมันเหนื่อยปั๊บมันก็หลับเองอย่าไปถ้ามันไม่หลับก็ชัางหวมันมันไม่หลับแล้วก็นับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆ ก็เหมืนอนพระอนนท์อยากจะบรรลุอยากจะบรรลุพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าจะต้องบรรลุก็ไม่บรรลุแท้ทีนี่ก็ใกล้จะสว่างแล้วพอพอสว่างก็ถือว่าครบกําหนดที่พุทธเจ้าได้ทํานายแล้วสาเดือนอนนท์ธอจะต้องบรรลุอย่างแน่นอนอนนท์ก็พยายามบำเพ็ญเพียนมาอมสองเดือนกับยี่สิบเก้าวันกับเหลืออีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมง เดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็ไม่บรรลุทัดทีไม่บว่าข่าวนี้พระเจ้าคงทำนายผิดแน่ๆนะก็เลยบรรุจะทำไงแล้วเนี่ยทำเต็มที่แนละ้วเหลือชั่วโมงก็ไม่บรรลุแล้วนอนดีกว่าพอเป็นตั้งท่าจะอยู่ในท่านั่งระหว่างท่านั่งกับท่านอนก็บรรลุเลยเพราะใจไม่ได้ไปคิดถึงความอยากจะบรรลุนะมันก็เลยบรรลุ มันพร้อมที่จะบรรลุแล้วแต่ไอความอยากจะบรรลุมันมาขวางอยู่ที่หน้าประตูพอเอาความอยากที่จะบรรลุกออกไปบ้างมันก็พุทเข้าไปเลยได้ไมดังนั้นํานำเจริญสติสติไปอย่าให้มันมีความอยากมาขวางประตูพอมีความอยากมาขวางให้สติดียังไงมันก็ไม่เข้าต้องตัดความอยากอย่าไปสนใจ มันจะได้ไม่ได้ไม่สนใจแล้วขอให้อยู่กับพุทธโธอยู่กับสัมมาหลังไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปหวังว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าอยาไปอยากให้มันเข้าถ้าเดียวไม่เข้าเองนะทำไปอย่าท้อแท้ยิ่งอยากยิ่งท้อใหญ่เข้าใจไม่าเวลาเยน้อยไม่ท้อกันอ่าดีทำมากๆก็การทำบ่อย มาใส่บาตคนเดียวแล้วมเช้านี่คำร้มาเองไงมาใจลีกระชาเอาจากากี่โมงห้าจะไปชวนน้องชายเข้ามาไปฟังนพอกันวันพระเข้าเข้าไปที่วัดมาไปวัดน้ไม่เอาละจะที่บ้านดีกว่า่าได้เดี๋ยวไปจะนจะฟังนพอจะันปา ไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีถ่ายทอดสดเนี่ยก่อนดูเฟซบ so ุ๊กก็ได้อันนี้เข้ามากั น, ah. น, าากนสี่คนะเทสทางเ oh, ีสูงสุดสามร้อหกสิบค่ะทา u ยูวันนี้สูงสุดนี่แปดสิบห้าแปดสิบห้าแล้วเกิดจะแตะร้อยแล้วนี้สิบเจ็ดแล้วขาประจำสามคนเข้ามาไมอันนี้ยังครับต่วนนี้ชาลันซีเฟนยังไม่เข้ามา การทำดีทุกแค่10กว่าคนอปนเจ็ดสกว่าเจนนี่สัญญาณดีแล้วไหมดีครับ YouTube มันดีน่องเที่ยวไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้ดูได้ไหมดูได้เลยไม่ต้องสมัครสมรัครแต่ Facebook นี่ต้องสมัครก่อนหลังจะถามอะไรก็มา ม, มีคำถามเข้มามาไหมมีแค่ของ YouTube มีสองคำถามครับ จากคุณเจนะครับระยะนี้เวลานั่งสมาธิสูดลมหายใจเข้าออกได้ยาวและลึกขึ้นคาบริกรรมหายว่างแต่มีสติในการระลึกตามลมเบาแต่ผิดเหมือนหลับแต่มีสติรู้ในลมหายใจแบบนี้ผิดทางหรือเปล่าครับ ถ, ถ้ามีสติรู้รู้ว่าลมเข้าออกอยู่ก็ก็ยังถูกอยู่ต้องรู้ทุก ท, ท, ทุกระยะของการเข้าการออกแล้วก็ไม่ควรตามลมเข้าตามลมออกให้เฝ้าดูอยู่ที่จุดเดียวย จ, จุดที่มันเข้าออกก็คือที่ปลายจมูกเหมือนกับปัญญามคอยนั่งนับคนเข้าบ้านคนออกจากบ้านก็นับตรงประตูนั่นแหละมันต้องออกผ่านเข้าออกตรงประตูลมมันก็จะเข้าออกตรงปลายจมูก ก็ให้นั่งให้เพ่งดูตรงจุดนั้นจุดเดียวต้องการให้มันนิ่งอย่าให้มันเคลื่อนอย่าไปตามลมเข้าตามลมออกถ้ามันตามลมแล้วมันจะไม่นิ่งจิตจะไม่สงบคำถามต่อไปจากคุณอาจารย์งามครับปัจจุบันถือสิง8แปดอยู่ในทางโลกสัปดาหละห้าวันอีกสองวันถือสิงห้ามาเป็นเวลาสิบปี ทำไมตอนนี้รู้สึกอยากออกบวชเจ้าคะอะเพราะว่ามันมีความสุขเลยคนเราทําอะไรเพราะมันมีความสุขคนที่อยากเที่ยวก็เพราะเขามีความสุขจากการเที่ยวคนที่เขารักษาศีลแปดแล้วก็มีความสุขเขาก็อยากจะบวชมันมีความสุขสองทางความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมคำถามต่อไปจากคุณสัมชางครับ เวลานั่งปฏิบัติไม่เข้าสมาธิเข้าความลบแล้ฮะเด็วไม่เป็นไรเป็นครับอันนี้อย่างเวลานั่งปฏิบัติไม่เข้าสมาธิแต่เมื่อคืน อ, อ่านหนังสือนิ่งๆอยู่ใจก็วูบเข้าไปเลยรู้สึกว่ามีความสุขสงบทางใจมากเจ้าค่ะยอมได้พบกับตัวเองแล้วเจ้าค่ะสาธุครับสาธุทำไมต้องเข้าแบบไม่ได้ตั้งใจเข้านะ อ่านหนังสือก็เข้าได้อ่านหนังสือก็เหมือนกับเพ่งอยู่เหมือนกันถ้าเป็นหนังสือธรรมะ ม, มันก็จะทำให้ใจสงบได้เหมัคำถามทาง Facebook ไลฟ์จากคุณ PA ค่ะคุณแม่ของผมชอบให้อาหารหมาแมวจอนจัดทุกวันท่านเล่าให้ฟังว่ามีคนมาว่าท่านว่าท่านคงมีกรรมหนักจึงต้องมารับใช้หมาท่านพาะอาจารย์ว่าอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าครับทั้งที่ท่านทาด้วยความเหนื่อยยากและเสียเงินด้วย ไม่หรอท่านมีความเมตตาท่านมีความสุขท่านรักษัท่านสงสารสัตว์เจะในจอ้อนท่านก็เลยเลี้ยงมันไม่ได้เป็นกรรมหรอกเป็นบุญอนเราไี่ชอบเอาของดีมากระทาว่าเป็นของไม่ดีไปไอ้พวกที่กรรมก็คือพวกกินเหล้าเนี่ยพวกเล่นการพ น, น, นันพวกเนี่ยพวกพวกมีกรรมมาพวกที่ก็ามาทําบุญนี่เป็นพวกมีบุญมา คนเคยทําบุญมันถึงจะทำบุญต่อได้คนทํากรรมมันถึงมาทํากรรมต่ออีกเรื่องหนึ่งคือท่านทำหมันให้หมาแมวข้าถนนด้วยค่ะเพราะไม่อยากให้มันต้องออกลูกมาไม่หยุดต้องอดอยากลําบากทั้งแม่และลูกคุณแม่ทําเพราะหวังดีแต่ก็มีคนว่าเป็นบาปเป็นการฝืนกดแห่งกรรมเป็นการฝืนกดแห่งกรรมจริงหรือไม่ครับ อ, อไม่หรอกก็เป็นเ ป, เป็นการ ย, ยับยั้งการเกิดซึ่งเป็นทุกข์เกิดมาแล้วเป็นทุกข์คำถามคุณแม่พีอฝากถามค่ะดิฉันเคยเข้าใจว่ากายและจิตหมายถึงร่างกายและหัวใจของเราแตพ่พอมาฟัง <c oughs> พระอาจารย์ <c oughs> บอกว่าจิตคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นอากาศธาตุ <c oughs> เสียบเสมือนอยู่ในโลกคิดเลยทีเดียวอยากถามพระอาจารย์ว่าข้อหนึ่ง จิตกับวิญญาณคือสิ่งเดียวกันหรือไม่และมีการแตกดับได้หรือไม่คะสิ่งเดียวกันไม่มีการแตกดับแต่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจิตมีการเปลี่ยนจากดีเป็นชั่วได้จากชั่วเป็นดีนะแต่ไม่มีการแตกดับเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มันแตกดับเพราะมันทำมาจากดินน้าลมไฟเดี๋ยวมันก็ต้องแยกทางกันดินน้าลมไฟแยกกันไป มันไม่ได้หายไปหรอกเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพเหมือนกับก้อนน้ำแข็งที่กลายเป็นน้ำไปอย่างเงี้ยถ้าเราเอาน้ำไปแช่ในตู้เย็นมันก็แข็งขึ้นมาก็เป็นก้อนพอเราอจากตู้เย็นมาไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันก็ละลายกลายเป็นน้าไปร่างกายของเราเราก็เอาอาหารเนี่ยมารวมกันเข้ามาในร่างกายแล้วก็ทำให้มันเป็นอาการ32ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็แยกกันไปมันก็กลายกลับไปสู่ดินน้าลมไฟ ใจมันไม่มีส่วนประกอบจิตใจวิญญาณนี้มันเป็นตัวรู้ตัวคิดที่ไม่ต้องมีดินน้าลงไฟมามาทําให้มันมีรูปมีร่างมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคือเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดแล้วตัวนี้ไม่มีวันที่จะสลายมันก็จะรู้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันไปคิดในทางหลงคิดในทางไม่ดีมันเลยต้องไป เกิดไปมีร่างกายไปแบกร่างกายไปทุกข์กับร่างกายไปทุกข์กับสิ่งที่มันหาได้จากร่างกายไปทุกข์กับลาบยศสรรเสริญที่หามาได้พอหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ต้องจากกันเดี๋ยวก็ต้องหมดข้อสองนะคะหน้าที่ของจิตมีอะไรบ้างคะเท่าที่รู้มาคือเฝ้ารู้เฝ้าดูกายหรือเฝ้ารู้เฝ้าดูกายใช่หรือไม่คะ หน้าที่ของจิตก็คือสอนจิตให้ฉลาดให้จิตพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ความสงบต้องศึกษาพริธีรทำคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าถ้าไม่รู้จักวิธีที่จะหาความสุขที่แท้จริงให้กับจิตก็ต้องอาศัยการศึกษาวิธรรมำคำสอนศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับจิต พอใจจิตจะได้หมดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าได้พบกับความสุขที่แท้จริงจิตก็จะปล่อยความสุขปลอมที่เป็นความที่เป็นความทุกข์ที่หลอกให้จิตจะต้องไปทุกข์กับการเวียนว่ายกายเกิด อ, อยู่เรื่อยๆข้อ3ค่ะถ้าอาจารย์ช่วยกับลานแนะนําวิธีแยกกายและจิตให้เข้าใจและทําได้ ง, ง่ายๆด้วยค่ะคานต่อง่ายรู้ว่าร่างกายนี้ มีอาการสามสิบสองมีอาการมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้เนกระดูกอันนี้เป็นร่างกายส่วนใจเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจร่างกายจะทำอะไรได้นันต้องรอรับคำสั่งจากใจก่อนเนี่ยเราจะมาที่วัดนี้ได้เราต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะมาวัดนี่คือใจใจคิดพอใจคิดแล้วใจก็สั่งอ้าวเดี๋ยวมาวัดเนี่ยถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายมา ใจนี่เป็นคนสอนให้ร่างกายเดินวิ่งทำอะไรต่างๆพอถึงเวลาใจก็สั่งให้ร่างกายมาวัดให้รู้ว่าคนสั่งกับคนที่รับคำสั่งนี่เป็นคนละคนกันคนสั่งก็เหมือนคนขับรถนะส่วนรถก็เป็นเหมือนผู้รับคำสั่งจากคนขับรถถ้าไม่มีคนขับรถรถจะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องให้มีคนขับ ร่างกายแค่จะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้ต้องมีคนสั่งคนคิดคนคิดกับคนสั่งนี่เป็นคนละคนกันให้ให้รูห้หลักการอันนี้ไว้ก่อนข้อ ท, ที่สองถ้าไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายก็ต้องปดอย่าไปยึดติด ก, กับร่างกายเพราะร่างกายสักวันหนึ่งจะต้องทุกข์เพราะมันแก่เพราะมันเจ็บเพราะมันตายที่เราทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราอยากจะให้มันอยู่กับเราคือผู้คิด ผู it, ้คิดผู้รู้นี้อยากจะให้ร่างกายอยู่กับผู้คิดอยู่ตลอดเวลาแต่สังวันหนึ่งจะต้องมีการจากกันงนั้นก็ให้เข้าใจว่าเวลาร่างกายแก่เจ็บตายผู้คิดผู้รู้นี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายงั้นผู้รู้ผู้คิดจึงไม่ควรที่จะไปตกใจไปกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายให้ดูให้ร่างกายของเรานี้เหมือนกับเราดูร่างกายของคนอื่น ร่างกายคนอื่นเขาแก่เจ็บตายเราทุกข์ไหมเฉยๆใช่ไหมฉันใดร่างกายของเราก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเพียงแต่ว่าเราอยู่ใกล้คิดกับร่างกายอันนี้จนเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายอันนี้เท่านั้นเองตอนนี้เราต้องมาแยกออกจากกันแยกด้วยความคิดแต่ความคิดนี้แยกยังไงก็แยกได้เพียงระดับหนึ่งจะ แ, แยกใหได้อย่างถาวรนี้ต้องแยกแบบนั่งสมาธิ เวลานั่งสมาธินี่เราจะดึงใจออกจากร่างกายดึงกระแสที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายคือวิญญาณทั้งห้าเนี่ยที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายเนี่ยเราใช้พุทธโทธดึงมันออกเหมือนเสียบปลั๊กอะไรไว้เสียบปลั๊กทีวีไว้แล้วก็ดึงปลั๊กออกพอดึงปลั๊กออกไฟฟ้าก็จะไม่เข้าเครื่องอันใดถ้าเรานั่งสมาธิเราก็จะดึงปลั๊กที่มาเสียบตามตาหูจมูกลิ้นกาย ให้ใจได้รับรู้อะไรต่างๆที่ร่างกายรับรู้อยู่พอนั่งสมาธิจิตสงบมันก็ถอดปลักแยกออกจากกันเราก็จะรู้ว่าออร่างกายนี้เป็นเหมือนกับวัตถุชิ้นหนึ่งแต่จิตนี้คือผู้รู้เลยเป็นอีกคนหนึ่งถ้านั่งสมาธิแล้วมันจะรู้ว่าร่างกายกับผู้คิดนี้คนละคนกัน นี่พอออกจากสมาธิมาเราก็สบายใจแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ชั่งมันคำถามจาก YouTube ครับจากคุณอาจารย์งานครับการที่นักร้องมีเสียงไพเรอะในชาติตุบันเกิดจากการสั่งสมบุญใดามาครับไม่รู้เหมือนกันว่า ครับครับอาจารป์คุณพูดได้ครับเ อ, อเคค่เอมนุษย์เราเนี่ยเอ่อจิตจิตเราเป็นอ่าประพัฒสอนเนี่ยจิตเรามันมันดีอยู่แล้วใช่ไหเราเราลงลงมาเกิดใหม่เนี่ยอ่าสิ่งที่ครอบเราเนี่ยมันเป็นอ่าเหมือนเงาดา ม, มาครอบเนี่ยเราเราอันนี้มีถามอยากยากยากตรงนี้ครับอ่าจิตท่เราเป็น มันมันดีอยู่แล้วแต่ถ้ารวมวนมามันดีตอนที่มันเข้าสมาธิไงถ้ามันเวลาเข้าสมาธิมันก็สว่างสวาทั้งหมดไอ้สิ่งที่ข้องงามจิตใ จ, จมันก็สงบตัวไปชั่วคราวคือโมหะอวิชชาแต่พอเราออกจากสมาธิมาโมหะอวิชชามันก็กลับเข้ามาครอบงามใจแล้วก็หลอกให้เราไปทำอะไรต่างๆแล้วเราต้องนั่งสมาธิบ่อยๆ เพืราจะได้รู้ว่าจิตเรานี่มีความสุขในตัวเองแล้วไม่ต้องไปมีความสุขจากลูกจากเมียจากเท่าของเงินทองต่างๆครับการนั่งสมาธิได้จิตก็จะกลับไปสู่ความเป็นปพัฒ ส, สอนครั บ, รบแล้วมันก็จะไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับมันเครื่องทป้องกันเป็นการนั่งสมาธิอะเครืคร่องป้องกันนะครับ ก็การนั่งสมาธิเนี่ยที่จะทําให้ตัวที่มาครอบงำจิตใจมันสลายไปคือโมหะอาวิชชาแต่สมาธิมันจะให้หายไปชั่วคราวพอออกจากสมาธิมามันก็จะกลับมาครอบงําใจใหม่ครับจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญากระชากมันออกไปครับเวลามันหอกให้เราไปหาเมียก็บอกไม่เอาละนไปบวช ด, ดีกว่าหลอกให้เราไปหาลูกไม่เอาล ะ, ะทิ้งลูก เหมือนพะพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแห ะ, ะต้องใช้ปัญญาครับ <ว S 2> ต้องเห็นว่ามีเป็นทุกข์ลูกเป็นทุกข์ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นทุกข์ไปบวชนี่แหละกินสุขนั่นแหละปัญญาอย่ใช่อหมสิ่งผิงที่มึงเห็นจะแรกผมว่ามันสามารถมองเห็นอย่ามองเข้าเดี๋ยวมันสิ่งที่กระทบเข้ามาเนี่ยมัน มันเป็นสัญญาไม่ต้องเป็นญาติหรอกออมันจะเป็นอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจให้รู้วิธีปฏิบัติกันไหมครับคืออย่าไปสนใจมันครับมันทําอะไรเราไม่ได้ครับต่อให้เป็นระเบิดนิวเคลียร์มันก็ทําลายใจไม่ได้ครับให้รู้เฉยๆสมม้ิถ้าเกิดใครปล่อยลูกระเบิดมาใจก็นั่งดูไปเฉยๆอย่างมากมันก็โดนร่างกายมันไม่โดนใจใจมันอยู่อีกที่หนึ่งใจมันอยู่ในโลกคิดศ ครับเอมันก็ต่างใจเหมือนคนดูหนังแหะแต่ไปตืนเต้นกับหนังไหมทั้งที่ไม่ได้โดนยิงเท่าไหร่เสียวไปกับเขาเนั่นแหละครับก็ใจนะใจไม่ได้เป็นร่างกายแต่ไปติดกับร่างกายก็เลยคิดว่าเป็นไปกับร่างกายครับแล้ ว, ลวาาการกําหนดในแต่ละขั้นเนี่ย ก็หนุสภาวะในแต่ละพังนี่มันมันเป็นเข้ามาของจิตเองอ่ะคือมันก็มีอะไรต่างๆเข้ามาอยู่ได้เรื่อยให้เราสัมผสัสรับ ด, ด้วยมันนั้นนี่ก็มีเสียงครับเดี๋ยวก็มีกลิ่นมีรสมีอะไรหน้าที่ของเราก็คืออย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากกับมันครับอย่าไปยินดีหให้ยินดีกับความสงบเพียงอย่างเดียวเพราะเป็นความสุขแท้ของอย่างอื่นนี้เป็นความสุขปลอง พาใจครับคำถามจากคุณอาร์ตค่ะบางทีที่คิดว่าจะบริกรรมพุทโธแล้วบางทีก็ได้ไม่ถึงสิบครั้งแล้วก็ไปเรื่องอื่นแล้วครับหรือบางทีคิดจากบริกรรมแล้วมันก็รู้สึกดิดขันในใจครับเมื่อบริกรรมพุทโธความรู้สึกอยากจะไปคิดเรื่องอื่นครับเราจะต้องฝืนบริกรรมไปเรื่อยใช่ไหมครับใช่ทำไมเราคิดเรื่องอื่นคิดได้ทั้งวัน มันก็เป็นความคิดเหมือนกันพุทโธเราก็คิดเหมือนกันคิดพุทโธแล้วได้ทองกับไม่เอาคิดเรื่องอแล้วได้ขยะชอบคิดกันคิดแล้วปวดหัวไหมคิดแล้วบางทีนอนไม่หลับไะมกะสับกะวนกะวายกะสับกะสายก็จากเรื่องความคิดต่างๆนี่แะคิดอยู่กับพุทโธแล้วจิตสงบนิ่งเย็นสบายกับไม่ยอมคิดกันคาถามจากคุณยอดหญิงค่ะ เราจะ ก, กำจัดคนที่เขาเกลียดเราอยัางไงคะคือว่าคนบ้านตรงข้ามเขาเกลียดเรามากเวลาเราขี่รถออกจากบ้านเขาก็จะมายืนถือไม้กวาดอยู่หน้าบ้านพอเราขี่รถผ่านเขาก็กวาดได้เราเลยคะ่ะอเราไปกำจัดเขาไม่ได้เหรอสิ่งที่เรากำจัดได้ก็คือความรังเกียจของเราต่อเขาอันนี้เรากำจัดได้อย่าไปรังเกียจเขาขอให้คิดว่าเขาเป็นเหมือนอ่า เหมือนข้อสอบของเราเขากำลังมาให้เราทำข้อสอบถ้าเราสอบผ่านได้เราก็จะสบายหรือถ้าเราปล่อยวางเขาได้เราอย่าไปอยากให้เขาไม่ทำเราก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายนี่คือข้อสอบของเราให้มองอย่างนี้เวลาใครเขาทำอะไรไม่ดีทำให้เราไม่สบายใจเนี่ยต้องให้รู้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่ความอยากของเรา ที่เราไม่สบายใจเพราะเราอยากให้เขาไม่ทำอย่างนั้นทีนี้เราไปห้ามก็ไม่ได้ถ้าเราไปกาจัดเขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือไปถูกเขาลงโทษประหารชีวิตถ้าเราไปฆ่าเขางั้นให้เรามาฆ่าความอยากของเราฆ่ากิเลส ข, ของเราหรือความอยากให้เขาไม่ทำอย่างนั้นหยุดความอยากนี้ได้แล้วเขาจะทำางล้วเราจะไม่เดือดร้อนเลย ไม่เหมือนเสียงจักกระจันเนี่ยมันจะร้องเงี้ยเราไม่เดือดร้อนกันเลยเนะี่ยถ้าลองไปอยากให้มันเงียบดูสิโอ้มันจะเคลียดขึ้นมาทันทีไอ้หามเมื่อไห่จะหยู่สักทีเข้าใจไหมงั้นปัญหาอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้เขาไม่ทําอย่างที่เขากาลังทําอยู่พก็ปล่อยเขาทำไปเสร็จก็คิดว่าเราดูละครไปก็แล้วกันใช่ไหมดูละครก็ดูไปเรามีหน้าที่ดูก็ดูไปแต่เราอย่าไปอยากให้เขา ทำอย่างงั้นไม่ทําอย่างนี้มันเราก็เลยทุกข์ใจขึ้นมาขอาให้มองว่าเป็นข้อสอบดีกว่าแล้วถ้าเราสอบผ่านแล้วต่อไปเราสบายเราจะขอบใจเขาว่าเนี่ยถ้าไม่มีเขาก็เราก็ไม่มีวันที่จะไดมีปัญญาเห็นไหมมีคําโบราณที่เขาว่าอมารบอกมีบารมีบ่เกิดเทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดเนี่ยมันต้อง มีมามีมานก็จะทำให้เราสร้างขันติบารามีขึ้นมาต้องอดทนเนียขันติบารามีนี้สาคัญมากการจะทำความดีการที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจของเราดับความทุกข์ต่างๆนี้ต้องอาศัยขันติเป็นตัวนำแล้วก็อาศัยปัญญาเวลาเจอความทุกข์ถ้ามันไม่มีความทุกข์มันก็ไม่รู้มันก็ไม่ัญญามันก็ไม่มันต้องมาใช้ มันกับเวลาถ้าไฟไม่มีถ้าไฟไม่ไหม้มันก็ไม่ต้องเอาน้ามาดับไฟแต่พอไฟไหม้ปั๊บเนีโอ้ห์น้ำต้องหามาทันทีฉันได้เวลามีความทุกข์ขึ้นมานี้ต้องปัญญาต้องมาต้องหาว่ามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันพอเราอยากใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์ก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราหยุดความอยากให้มันเป็นอย่างนั้ น, น, นเป็นอย่างนี้ได้มันก็จะไม่ทุกข์มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรื่องของมันไปนไอ้แม่เสียงรักษาจังฐฐมันไปและ้ะมันไปของมันเองถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเองอะนั่งไปดูเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยพอเราไม่พอแม่เราไม่เต้นแรงเต้นกาไปกับเขาเขาก็เขาก็หยุดละที่เขาสนุกเพราะเห็นเราเต้นแรงเต้นกาไปกับเขาเวลาเขาทำอะไรแล้วเราไปเดือดร้อนเขาก็สนุกขึ้นมาสิ เพนั้นเราต้องอยู่เฉยๆต้องปล่อยวางหยุดความอยากของเราอย่ากไปอยากให้เขาไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้นะเขาจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทําไปคําถามจากคุณนันทนาค่ะจิตหรือวิญ ญ, ญาณตลอดเวลาจะอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใจเราไม่หยุดนิ่งเลยถ้าเราไม่ฝึกให้มันสงบบ้างโดยเฉพาะทําไมเราชอบคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ไม่อยากคิดแต่มันก็ไปคิดอยู่เรื่อยเลยเจ้าคะมันคิดได้ทุกเรื่องเลยแล้วแต่มันชอบเรื่องไหนมันก็คิดเรื่องนั้นเ <c oughs> นี่ยงั้ <c oughs> เราหยุดได้ด้วยการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธถึงสอนให้มาหัดพุทโธกันนถ้าเราพุทโธแล้วต่อไปเราก็จะหยุดความคิดได้เวลามันคิดเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจเราก็หยุดมันได้ถ้ามันคิดในเรื่องที่ทําให้เราสบายใจเราก็ไม่ต้องหยุดมัน ถ้ามันคิดไปในทางปัญญาว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราก็ปล่อยมันคิดไปแล้วเราก็จะสบายเราจะปล่อยวางเราจะฟงไน้คํถาถามจากคุณโก้ค่ะพระอาจารย์ช่วยอธิบายประโยคที่ว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้ให้ฟังด้วยครับ อ, อ๋อไม่ถูกเหรอถ้าพบผู้รู้ก็ต้องให้อยู่กับผู้รู้ <c oughs> ผู้รู้นี่ทําลายไม่ได้นะ ตอนนี้เราไม่ได้อยู่กับผู้รู้เราอยู่กับผู้คิดผู้คิดมันก็ถูกกิเลสหลอกให้คิดไปในทางที่ไปหาความทุกข์กันเราต้องมาหยุดผู้คิดพอเราหยุดผู้คิดแล้วผู้รู้ก็จะโผล่ขึ้นมาผู้รู้นี่เหมือนกับเป็นจอทีวีไงผู้คิดเหมือนภาพบนจอนทีวีถ้าเราไม่ปิดทีวีเราจะมองไม่เห็นจอใช่ไหมพอเราเปิดทีวีเราจะเห็นดต่ภาพที่ปรากฏบนจอ แต่พอเราปิดทีวีปั๊บภาพที่อยู่บนจอก็หายไปก็เหลือแต่จอจอนี่แหละคือผู้รู้ส่วนผู้คิดก็คือภาพที่ปรากฏมันจะมาบังผู้รู้อีกทีหนึงน้มันทับผู้รู้ไว้เลยทําให้ผู้รู้นี่ไม่รู้ตัวของตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้รู้เลยไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นผู้คิดแล้วก็คิดไปแล้วก็คิดไปหาความหาเรื่องหาราวต่างๆมาใส่ให้กับผู้รู้ งั้พอเราหยุดผู้คิดปับ๊บเหลือแต่ผู้รู้ใจก็เย็นสงบสบายมีความสุขเราก็รู้ว่าพอเจอผู้รู้แล้วอยากฆ่าต้องรักษาผู้รู้ไว้ต้องพยายามรักษาให้ใจอยู่กับผู้รู้ไปเรื่อยๆอย่าไปอยู่กับผู้คิดถ้าจะอยู่กับผู้คิดก็ต้องคิดไปในทางปัญญา<ม>คิดไปในทางความเป็นจริงว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงมไม่คิดอย่างนี้ตอนนี้มันคิดกับตาลปัด มันคิดว่าทุกอย่างเป็นของเรามันเที่ยงมันให้ความสุขกับเราเนี่ยมันถึงทำให้เราเสียใจกันเพราะว่าผิดหวังกันเพราะมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เราคิดความจริงก็คือทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราให้คิดอย่างนี้ถ้าจะคิดเนี่ยแต่ถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้ก็หยุดมันไปก่อนใช้พุทโธหยุดมันไปก่อนพอหยุดพุทโธปั๊บก็จะเหลือแต่ผู้รู้ ผู้รู้ก็จะสบายไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนรบกวนผู้รู้ไงผู้รู้เป็นเหมือนกับคนดูทีวีเวลานะปิดทีวีกับเปิดทีวีไหนะสบายกว่ากันปิดทีวีแล้วใจก็คนดูก็สบายนอนหลับได้สบายพอ mm hmm. เปิดทีวีมันก็เครียดไปกับหนังที่ดูใช่ไหมเรื่องที่ดู mm hmm. นั่นแหละงั้นหยุดความคิดหยุดผู้คิดแล้วเพื่อเราจะได้พบกับผู้รู้ เมื่อพบกับผู้รู้แล้วเราก็จะรู้จักวิธีรักษาผู้รู้ว่าต้องคอยหยุดความคิดถ้าจะคิดก็คิดเท่าที่จําเป็นคิดในเรื่องที่เป็นความจริงคิดทางปัญญาสติมันจับอยู่ที่ตัวคิดแตตัวรู้ใช่ไหมครับสติมันจะมาหยุดที่มันจะมาจับตัวคิดให้หยุดคิดให้หยพอหยุดคิดแล้วตัวรู้มันก็จะโผล่ขึ้นมาตัวตัวตัวรู้มันอยู่ตลอดเวลามันแต่ถูกตัวคิดบังไง เราอยู่กับตัวคิดเราไม่ได้อยู่กับตัวรู้พอเราหยุดตัวคิดปั๊บก็เลยแต่ตัวรู้เราก็รู้อ่อนนี่คือตัวเราวิธีที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขก็ให้รู้เฉยๆพอเรารู้เฉยๆแล้วมันเย็นสบายแต่พอไปคิดปับ๊บเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเราเอาสติจับตัวคิดออกไปใช่ไหมหยุดมันไงหยุดมันตัวสติก็หยุดหยุดความคิด ส่วนนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาค่ะไม่ได้แพ่เราสวดเพียงแต่ส่วนไม่ได้แพ่มันก็เหมือนกับส่วดมนดีๆนี่ยังไม่ได้แผ่เมตตามันต้องเอาเงินไปให้เขาถึงจะแผ่เข้าใจล้วนั่นสวนไม่ได้แพผ่แต่เราไปเข้าใจผิดส่วนบทแผ่เมตตาแต่ยังไม่ได้แพ่นั่งเฉยๆไปแผ่ตรงไหนล่ะคนรับก็ไม่มีก็ทํำไง อ้าก็เอาเงินมาให้เราสิเนี่ยอยากจะแผ่เมตตาเนีย่ยตอนตอันนี้ตอนเนี้ยแผ่ได้เนี่ยเนี่ยอ่าหรือใครด่าเราก็สาธุไม่เป็นไรเออเนี่ยนะแผ่เมตตาตอนนี้แบบไม่ไม่เข้าใจแบบว่าก็หลงกันไงไม่รู้ไงมันเป็นการสวดมนต์เฉยเฉยสวดตัวสอนใจให้รู้วิธีแผ่ว่าแผ่ยังไงมันไม่ได้แผ่ก็ยังไหมที่เราสวด น, นี่เพื่อได้รู้ว่าแผ่เมตตาแผ่ยังไงเอาเวลาฝนตกแปลว่าไง แต่ว่าอย่าจองเวรจองกรรมกันแล้วตอนนี้ตอนที่เราสวดมีใครมาจองเวรจองกรรมกันหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมก็ต้องรอเวลาที่เราไปจองเวรจองกรรมกันแล้วว่าเออไม่ได้เราอย Wide, <inet> ่าจองเวรจองกรรมกันเราต้องให้อภัยกันเชนเขาขับรถมาชนท้ายเราปั๊บเราบอกเไม่เปไลไรไปเลยฉันมีประกันเธอมีประกันเธอก็ไปซ่อมของเธอเราก็ไปซ่อมเหตุการณ์อย่างนี้มันก็จะต้องเป็นขณะปัจจุบันเออขณะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเอถึงจะแผงเมตตาได้ เห็นขอทานสงสารมันก็เอาให้เงินมันสักหน่อยนี่ก็แผ่เมตตาแล้วเอเห็นพระสงสารพระใส่บาตรเห็นตอนเชา้าพระบินตาบาตเห็นพระเดินมาก็เนี่ยรีบซื้อของใส่บาตรนี่ก็แผ่เมตตาแลย ว, วันเกิดเพื่อนก็ซื้อของขวัญไปให้เพื่อนนี้ก็แผ่เมตตาเออันนี้นั่งสวยเฉยมันแผ่ตรงไหนมันไม่กระจายอย่างเนี่ยคนไทยเราหลงชอบแผ่เมตตาแบบนี้แผ่แบบไม่ต้องเสียเงินเ ไอ๋า <laughs> เสียเงนที่ไม่ยอมแผงกันนะนะนะเป็นการสวดเป็นการสอนใจสอนวิธีแผ่ ม, มีกี่วิธีเอาเวลาโหนตุอย่าไปจองเวรเอาบายาประชาวโหนตุอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปทำร้ายเขาอันนี้คาโหนตุออย่าไปทําให้เขาเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจเอ แล้วก็สุขีอตนาปัลริฮะนันตุให้ความสุขกับเขาี่คือวิธีแผ่เมตตามีมสิ่สี่วิธีด้วยกันแล้วแต่กรณีแล้วแต่เหตุการณ์ต้องต้องแผ่แบบไหนเวลาทะเลาะ ก, กันก็เอาเวลาหงนตุงเลิกกันไปต่างคนต่างมีความเห็นไม่ตรงกันก็อย่าจะมาโกรธมาเกลียดกันเลยถอยหลังกนละก้าวหรือว่าอเวลาหงนตุงิดอย่เาเอาแพ้เอาชนะกัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าเราตายไปที่ยังไม่หมดกิเลสตอนตายแล้วไปเกิดใหม่ตัวที่ผลักให้ไปเกิดคือความอยากทั้งสามคือกรรมามตาณาภาวะตัณาและสีภาวะตาณาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหยุดอยากได้ในตอนที่จะตายนั้นเมื่อเกิดจริงๆแล้วเราจะไปเกิดอีกใหม่คะถ้าไม่มีความอยากมันก็ไปไม่ได้เหมือนรถเท่ไม่มีน้ำมันมันก็วิ่งต่อไปไม่ได้ ภพชาตินี่มันเกิดจากความอยากน้ํามันของภพชาติก็คือความอยากพอความอยากไม่มีมันก็ภพชาติก็มีไม่ได้คําถามจากคุณอุบลรักค่ะมีคนชอบพูดว่าตอนที่พ่อแม่มีชีวิตพ่อแม่ชอบอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เวลาพ่อแม่ตายไปเราต้องทําบุญด้วยอาหารที่ท่านชอบอยากถามพระอาจารย์ว่าพ่อแม่จะได้รับบุญจากอาหารที่ลูกตัก บ, บาตรให้ไหมเจ้าคะ ก็อยู่ที่ว่าพ่อแม่รอรับหรือไม่รอรับพ่อแม่ก็ถ้าพ่อแม่มีบุญพ่อแม่ทำบุญไว้พอก็ไม่ต้องมารอรับบุญที่เราจะส่งไปให้งั้นถ้าอยากจะรู้จริงๆว่าคนที่เขาเราจะให้บุญแปะอุทิศบุญให้เขาเนี่ยมันต้องมีเหตุเช่นเขามาเข้าฝันเราะหมหิวเหลือเกินอยากจะกินให้หนูน่นกินให้นี่อย่างนี้แล้วเราตอนเช้าก็ไปซื้อของอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ ทำบุญไปแล้วตอนคืนก็มาเฝ้าฝันอ้อขอบใจเนี่ยหมาอาหารส่งไปอร่อยเหลือเกินแต่ยังงั้นก็รู้จะว่าเออเขาได้รับแล้วแต่ถ้าก็ไม่ได้รับเราก็ทำเผื่อไปอย่างนั้นเองคำถามจากคุณพานุพงค่ะผมทำงานกับเพื่อนร่วม ง, งานที่อายุน้อยกว่าเวลาน้องเขาพูดกับเรารู้สึกว่าน้องไม่เคารพเราในฐานะรุ่นพี่ เช่นเรื่องคําพูดที่ไม่อ่อนน้อมการใช้คําสั่งกับเราลักษณะท่ า, าทางที่ไม่พึงประสงค์ควรวางใจอย่างไรดีคะหรือควรแนะนําอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นเป็นกรรมค่ะก็ห้ามเขาไม่ได้ไงเราจะพูดอย่างไรเราห้ามเขาไม่ได้เราอยากไปอยากให้เขาพูดตามที่เราอยากก็แล้วกันแต่ถ้าเราสอนเขาได้บอกเขาได้ก็สอนเข้าไปว่าอ เราต้องในสังคมเราต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับฐานะของผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยเพราะมันจะทำให้เขาเมตตาเอ็นดูเราถ้าเราปฏิบัติตัวเราไม่เหมาะสมก็จะทำให้เขารังเกียจเราแทนที่เขาจะช่วยเราก็อาจจะไม่ช่วยเราก็ได้แทนที่เขาจะส่งเสริมเราเขาอาจจะไม่ส่งเสริมให้เราก็ได้เพราะเราก็จะเห็นว่าเราเป็นคนคนไม่ฉลาดคนไม่รู้จัก ที่สูงที่ต่ำงั้นอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราสอนเขาได้หรือเปล่าถ้าเขาเป็นรุ่นน้องเราสอนได้ก็สอนไปถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องทําใจเฉยๆไปแล้วให้เขาไปไปเจอคนที่เขาไม่ยอมก็แล้วกันเราอาจจะเป็นคนเมตตาเราก็เลยไม่ไม่เอาเรื่องอาราวะเขาไม่ว่าเขาแต่ถ้าเขาไปทํากับคนอื่นที่เขาไม่มีความเมตตาเขาอาจจะด่ากลับมาก็ได้หรือสั่งสอนก็ได้ เนื่อลงโทษก็ได้ถ้าเขามีอำนาจเขาอาจจะลงโทษก็ได้คำถามจากคุณนธิดาค่ะเวลาดูลมจะหายใจเข้าตื้นหายใจออกยาวทำแบบนี้ผิดไหนคะพอไม่มีแรงหายใจลึกๆค่ะอ๋อไม่ต้องไปบังคับล ม, มปล่อยให้การหายใจเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะหายจะเข้าลึกออกตื้นก็เรื่องของเขาให้รู้เฉยๆ คือเราต้องการใช้ลมเป็นที่ทำงานเพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราคอยดูลมเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้คำถามจากผู้รับใช้พระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์ครับผมให้เพื่อนของผมไปขอพระบรมสารีริกธาตุของพระอาจารย์เขาแต่เขาไม่ได้ขอขอลักขโมยมาให้ผมจะบาปไหมครับ และจะทําอย่างไรกับพระพรมสาลีลิกธาตุนั้นดีครับจะให้คืนเขาก็ออกจากโรงเรียนเสียจแล้วคือเราไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นคนทําเอเขาเป็นคนไปนขโมยเขาก็บาปถ้าเราสามารถไปคืนเจ้าของก็ได้ก็ เ, เอาไปคืนถ้าคืนไม่ได้ก็เก็บไว้ก็เล้วกันเก็บไว้ดูแลรักษาไว้ให้ดีเผื่อวันข้างหน้ามีโอกาสคืนเขาก็เอาไปคืนเขา คำถามจากคุณพลอยค่ะนั่งสมาธิไม่ได้ค่ะรู้ลมเรื่อยที่ไปจมูกแล้วไม่มีอะไรค่ะทำยังไงดีคะก็ะต้องใช้ทําบริกรรมพุโทโธก่อนก็แนละ้ถ้าดูลมไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปก่อนถ้าพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมันไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อนอันนี้เป็นวิธีสร้างกําลังของสติขึ้นมาต่อไปพอมีกําลังแล้วก็จะดูลมได้ คำถามจากคุณนาโนค่ะการตัดกิเลสโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิพิจารณาอย่างไรครับพิจารณาว่ามันเป็นเหมือนเชื้อโรคเนี่ยเวลาที่เราไม่สบายนี่หมอบอกว่าเป็นโรคเอดอย่างเงี้ยมีเชื้อโรคเอชีต้องกำจัดมันใช่ไหมสมัยนี้ครังยังไม่มียากำจัดมีเพียงแต่ยาคุมก็เหมือนกับ สมาธิสมาธินี้จะคุมความโลภโกรธหลงต่ยังฆ่ามันไม่ได้ต้องใช้ปัญญาฆ่ามันอย่นเรื่องต้นต้องมองให้เห็นว่าโลภโกรธหลงกิเลสนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคที่จะทําให้ใจเราไม่สบายกันที่เราไม่สบายใจกันทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเงินทองไม่พอใช้หรือว่าเพราะถูกคนนั้นเขาด่าเราหรืออะไรมันไม่ใช่ไอตัวที่ทําให้เราไม่สบายใจกันก็เพราะความอยากได้อยากใช้เงิน พอเงินไม่พอใช้มันก็ไม่สบายใจขึ้นมาความอยากให้เขาไม่ด่าเราพอโดนก็ดา่าก็ไม่สบายใจขึ้นมาดงั้นให้เรามาหยุดความโลภความอยากตรนี้อย่าไปโลภอยากได้เงินใช้เงินอย่าไปอยากให้เขาไม่ด่าเราแล้วต่อไปเวลาไม่มีเงินก็จะไม่จะไม่เดือดร้อนเวลาเขาด่าเราเราก็จะไม่เดือดร้อนคําถามจากกุณาพลค่ะคนทุกข์หนัก ผมจับคนทุกหนักมานั่นกรรมฐานผมจะได้บุญหรือบาปมากกว่ากันครับในเมื่อคนทุกหนักสนใจทางโลกมากกว่าสนใจทางธรรมครับ อ, อมันเป็นเรื่องกับเหมือนกับหมอนะหมอเขาไม่ไปจับคนไข้มารักษาหรอกถ้าคนไข้เขาไม่ยอมมารักษาตัวมันต้องมาด้วยความสมัครใจเคยเห็นหมอคนไหนไปจับคนไข้มารักษาไนหะไม่มีใช่ไหมหมออยู่แต่ที่โรงพยาบาลที่คลินิก กาอยาจะรักษาตัวก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลรักษาตัวที่คลินิกกันการรักษาความทุกข์ก็เหมือนกันคนที่ความทุกข์นั้นต้องมาหาหาธรรมะมาหาการปฏิบัติเองเราไปบังคับเขามาไม่ได้หรอกคำถามจากสามนเณรพิที่วัดค่ะถ้าสามนเณรพิบ่ตมาก่อนหรือพระพิสุทาผิดพระวินยัยแล้วแบบผมเห็นผมไม่ควรที่จะไปพูดหรือว่ากล่าวท่าน เช่นห้ามดินเนอร์กันครับผมเข้าใจถูกไหมครับทำอะไรดินเนอร์กันนะกินข้าวเย็นกันนะใช่ไหมอ๋อก็เรื่องของท่า น, น, นก็ไปแจ้งความเลยเรามีหน้าที่แจ้งความได้เช่นเวลาเห็นขโมยมาขึ้นบ้านเราก็ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความกับเจ้าอาวาสว่าพระรูปนั้นเนรูปนี้กําลังกินข้าวเย็นกันอยู่ <laughs> คุณเดียค่ะคติธรรมไหนที่จะทําให้เราไม่หลงโลกหลงตัวเราครับ อ, อ๋อก็อนาตตาไงไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่ได้มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างทำร่างกายนี้ทามาจากดินน้าไฟสเตตมานาตตาเพราวะว่าไปําถามจากคุณเดียค่ะทาไหนที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขแก้ปัญหาทะเลาะบาะแว้งกันครับ เกี่การนั่งสมาธิร่วมกันเนี่ยถ้าทุกคนนั่งสมาธิได้ทุกคนก็จะมีความสุขทุกคนก็จะไม่ทะเลาะบอกแวงกันที่มันทะเลาะบอกแวงเพราะว่ามันไม่สงบใจมันอยากได้นู่นได้นี่แล้วพอมามาแย่งกันมันก็เลยเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นมาแต่ถ้าทุกคนนั่งสมาธิมีความสุขก็ไม่อยากจะได้อะไรก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาแย่งก่ง แ, แย่งชิงดีกัน คำถามจากคุณไรอันค่ะอุเบกขากับอาทุกขผลสุขต่างกันอย่างไรครับทั้งสองต่างเป็นเวทนาหรือไม่ครับอ๋อคือเวทนานี่มีอยู่สามชนิดแก่คือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์ตรงนี้บางทีเขาเรียกว่าอุเบกขาเวทนาซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดมันก็เป็นคําที่มันเป็นคําที่บอกว่าไม่สุขไม่ทุกข์นมันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเช่น เวลาเราหิวข้าวก็ก็เรียกว่าเรียกว่าทุกใช่ไหมเวลากินข้าวอิ่มแล้วก็เรียกว่าสุขใช่ไหมระหว่างที่ไม่หิวก็ระหว่างไม่อิ่มล้วก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกส่วนอุเบคาอีกอย่างนึ่งก็คืออุเบคาที่ได้จากสมาธิอันนี้คือความไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมีอุเบคาสองแบบ คุณเจ้าฮะค่ะช่วงแรกๆที่นั่งสมาธิจะรู้สึกปวดเมื่อยเจ็บปวดบริเวณปลายเท้าตาจุ่ง ม, มากอยากจะปรับเปลี่ยนขยับร่างกายเคยลองฝืนนั่งนิ่งๆจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าเราขยับตัวดูเหมือนจะจับเวทนาดูก็ยังรู้สึกเจ็บปวดตำแหน่งที่เดิมเลยครับ สรุปแล้วควรจะฝืนหรือปล่อยให้เป็นแช่นนั้นไปหรือปรับเปลี่ยนขยับร่างกายดีครับอ๋อไม่ควรถ้าเราต้องการนั่งสมาธิให้ใจสงบนี้เราไม่ต้องไปขยับร่างกายมันจะเจ็บมันจะเป็นยังไงก็อย่าไปสนใจให้เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจหรือจดจ่ออยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้ว เ, เดี๋ยวใจสงบแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย YouTube นะครับจากคุณอาจารย์งานครับถ้าลูกสำเร็จในธรรมเป็นพระโสดาบันสามารถทำให้พ่อแม่รับบุญกุศลมากน้อยหรือไม่ค่ะก็สามารถสอนให้พ่อแม่เป็นโสดาบันได้ถ้าพ่อแม่สนใจคำถามจากคุณแอค่ะข้อหนึ่งค่ะผมถือสีลห้าสวดมนต์นั่งสมาธิและละลืมสึกพระพุทธาตลอดเวลา พุทธโทพุทธานุสตินี้สามารถป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆได้เช่นสัตว์มีพิษหรือไม่ว่าจะเป็นดังสีต่างๆของไม่ดีต่างๆพูดผีใช่หรือไม่ครับออป้องกันไม่ได้หรอป้องกันกิเลสตัณหาได้ใช่ไหนเวลามีพุทธโทกิเลสตัณหาก็ทำงานไม่ได้แต่ของภายนอกนี่ห้ามมันไม่ได้ข้อสองค่ะพระอารหันต์มีกี่ประเภทและต่าง ก, ากันตรงไหนครับ ก็มีอรหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้ากัอรหันตะสาวกอรหันต์สัมมาพุทธเจ้าก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียกว่าพระอรหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระอรหันต์สาวกแปลว่าผู้ฟังสาวกแปลว่าผู้ฟังเป็นเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ด้วยการฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็มีอรหันต์สองประเภท อาลัณตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นคนแรกเพราะพุทธเจ้านี่เป็นอรหันต์คนแรกเป็นอรหันต์ด้วยตนเองเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้วิธีเป็นพระอรหันต์ก็เลยต้องค้นคว้าด้วยตัวเองพอค้นคว้าได้ตัวเองก็เลยเรียกตัวเองว่าเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผู้ที่มาฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าอรหันต์ตสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟัง ข้อสค่ะผมนั่งสมาธิมาก็นานหลายปีแล้วแต่ไม่เคยตกหลุมตกบ่อยอย่างพระอาจารย์ว่าได้สักทีนั่งแต่ละครั้งหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปหรือเป็นเพราะผมสะสมบุญมาน้อยใช่ไหมครับสติมันน้อยสติไม่ต่อเนื่องสติมันยังล้มลุกคุกคานอยู่จิตก็เลยไม่สามารถรวมเข้าสู่ความสงบได้ต้องมันฝึกสติให้มากๆทั้งวันนี้เราฝึกได้ตลอดเวลาต่นขึ้นมาก็พุโทโธได้เลย ถ้าเราฝึกพุทธโธอยู่เรื่อยๆเวลานั่งสมาธิมันก็จะมันก็จะลงเข้าสู่ความสงบได้ข้อสี่ค่ะผมฟังธรรมมาได้ห้าปีแล้วครับส่วนมากจะฟังวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตามหาบัวไม่ว่าองค์หลวงตาจะเทศแกงม่อเล็กม่อจิ๋ผมก็เข้าใจได้ในระดับดีมากแต่เพราะอะไรผมถึงนั่งสมาธิไปไม่ถึงไหนสักทีครับนั่นแหละก็เพราะว่า สเตยังไม่ต่อเ น, นื่องเลยข้อห้าค่ะผมเคยฝันเห็นองค์หลวงตามหาบัวเป็นทองคำทั้งแท่งและหลวงปู่มั่นมหาและดูดาหรือหลวงพ่อเรารัชการที่เก้ามีเหล่าเทวดามารับมากมายแต่ทำไมผมพยายามและไม่พยายามที่จะฝันถึงพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ไม่เคยฝันเห็นพระพุทธเจ้าได้เลยหรือเพราะพระพุทธเจ้ามนุษย์ธรรมดาฝัน ไม่ได้ใช่ไหมครับ อ, อ๋อไม่เกี่ยวแร้วความฝันไม่อยู่ที่เราเราคิดไปมันก็ฝันไปถ้าอยากจะฝันถึงพระพุทธเจ้าก็คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเดี๋ยวศึกษาพระพุทธประวัติอยู่เรื่อยๆอ่านหนังสือพุทธประวัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนคืนนอนก็จะฝันถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยคําถามจากคุณพลค่ะเวลาเราอยู่คนเดียวเรามีความรู้สึกสงบกว่าอยู่กับคนหมู่มาก อย่างนี้ถือว่าเราเป็นคนโลกแคบสังคมแคบไหมครับ อ, อ๋อไม่หรอกมันเป็นธรรมดาของจิตใจจิตใจถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะสงบถ้าอยู่กับคนหลายคนมันก็สงบไม่ไดเ้เพราะต้องเกี่ยวข้องกันและสิ่งที่ตามมาเวลาที่เกิดความสุขสงบแล้วก็คือความเหงาในลำดับถัดมาถ้าเราจัดการความเหงาได้เราจะพบความสุขสงบอีกครั้ง โดยที่ยังไม่ได้กําจัดความเหงาอย่างนี้ ถ, ถือว่าถุดทางไหมครับถ้าจิตสงบแล้วความเหงาไหมก็จะหายไปพอจิตไม่สงบความเหงาก็จะกลับมาใหม่ดั้นเราก็ต้องเวลาเหงาเราก็ต้องทําให้มันสงบพอสงบแล้วความเหงาก็จะหายไปหมดหรือยังพออย่างคะก็ไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ถ้ายังมีก็เอาว่างไป ท, งทางเดียวกันกับยูทูนะครับชื่อเป็นเกาหลีนะฮะนั่งสมาธิมันเย็นๆกลางอก คื อ, อยังไม่สงบใช่ไหมครับถ้าสงบมันจะนิ่งใช่เปล่าครัอมันจะนิ่งแล้วมันจ ะ, ะเบา อ, อกเบาใจสบายใจคําถามจากผู้รับใช้พระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์ครับพระบรมภาษารีริกธาตุเพิ่มขึ้นเองเกิดจากอะไรครับก็เป็นอ้ำทีอภินิหารอย่างหนึ่งของพระธาตุบางทีก็เพิ่มบางทีก็ลด ก็ให้รู้เฉยๆไปตามความเป็นจริงก็แล้วกันเพิ่มก็เพิ่มลดก็ลดคำถามจากคุณโตวาค่ะจะมีวิธีทำอย่างไรเพื่อทำให้แม่ที่มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆชอบบ่นกับลูกๆภายในบ้านทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปทุกอย่างที่แย่สุดๆคือพูดยุแยงให้ลูกๆทะเลาะ ก, กันทั้งที่ลูกทุกคนก็ดูแลปฏิบัติตามหน้าที่ของลูกที่ควรทาแล้วค่ะ ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากเอาหนังสือธรรมะเอาซีดีไปให้ท่านฟังถ้าท่านฟังหรืออ่านท่านก็อาจจะปรับตัวเองให้ให้ดีขึ้นแต่เราจะไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนท่านได้คําคำถามจากคุณสุวรรณาค่ะเวลาปกติเราใช้คำพุโทโธในการควบคุมสติ แต่ในการจเจริญภาวนาเราใช้อีกคำหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ได้หรือไม่คะใช้แทนกันได้เช่นธรรมาะบ้างพุทโธบ้างเอติปิโสบ้างก็ได้คำถามจากคุณพนค่ะคนนั่งสมาธิแล้วน้ำตาไหลมีอยู่สองประเภทใช่ไหมครับคือหนึ่งนั่งแล้วเกิดดีดีสุขและสองนั่งแล้วเห็นความเจ็บปวดใช่ไหมครับก็แล้วแต่ละคนจะมีปฏิกิริยากับอาการกต่าง ก็ไม่เป็นเรื่องสําคัญอะไรค่ะคำถามจากคุณบงกฎค่ะการนั่งสมาธิแล้วพระอาจารย์บอกว่าจะตกหลุมตกบ่อมันเป็นอย่างไรคะตอนต้องนั่งจน ก, กว่ามันจะตกหลุมตกบอก่อหมดแล้วปากคำถามหมดอ่าพอดีมีใครอยากจะถามอีกไหม <c oughs> ไม่มีก็หมดเวลาพอดีเอาแค่นี้ก่อนนะอืะ ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปคินิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ